ปาริเฉดที่8อนุสติก ร, รมมฐานิเทศมรณานุสติกถาบัรนี้ถึงวาระแสดงการเจริญมรณสติต่อจากเทวตานุสตินี้ไปในมรณสตินั้นคำว่ามรณะได้แก่ความขาดแห่งชีวิตตินซีที่เนื่องอยู่ในพบอันเดียวก็สมุดเฉดมรณะ กล่าวคือความขาดศูนย์แห่งวัตทุกของพระอรหันต์ทั้งหลายคณิกะมรณะกล่าวคือความแตกดับชั่วขณะแห่งสังขารทั้งหลายและสมุติมรณะได้ในคำว่าต้นไม้ตายโลหะตายดังนี้เป็นต้นมรณะทั้งสามอย่างนั้นไม่ประสงค์เอาในมรณสตินี้ ก็แลมรณะที่ประสงค์เอานั้นมีสองอย่างคือกาละมรณะหรือการมรณะหนึ่งอากาลมรณะหนึ่งในมรณะสองอย่างนั้นกาละมรณะย่อมมีด้วยการสิ้นบุญหรือการสิ้นอายุหรือด้วยการสิ้นทั้งสองอย่างอากาลมรณะย่อมมีด้วยอำนาจกรรมที่เขาตัดรอนกรรม ในมรณะเหล่านั้นก็มรณะใดแม้เมื่อความพร้อมมูลแห่งปัจจัยที่เป็นเหตุสืบต่ออายุยังมีอยู่ก็ย่อมมีได้เพราะความที่กรรมอันเป็นเหตุต่อปฏิสนธิมีวิบากสุขงอมสิ้นเชิงแล้วนี้ชื่อว่ามรณะด้วยการสิ้นบุญมรณะใดย่อมมีด้วยการสิ้นอายุซึ่งมีร้อยปีเป็นกาหนดเหมือนอายุของคนทุกวันนี้ เราไม่มีสมบัติคือคติการและอาหารเป็นต้นนี้ชื่อว่ามรณะด้วยการสิ้นอายุส่วนมรณะใดย่อมมีแก่เหล่าสัตว์ผู้มีสันดานอันกรรมที่สามารถจะให้เคลื่อนจากฐานในทันทีเข้ามาตัดรอนเหมือนอย่างทุสีมานและกะลาภูราชเป็นต้น หรือย่อมมีแก่สัตริย์เหล่าผู้มีสันดานขาดไปด้วยความพยายามมีการนำสัตรามาประหารเป็นต้นด้วยอำนาจกรรมปางก่อนนี้ชื่อว่าอากาลมรณะมรณะทั้งหมดนั้นสงเคราะห์ด้วยความขาดแห่งชีวิตดินซีการระลึกถึงมรณะกล่าวคือความขาดแห่งชีวิตดินซีด้วยประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่า มรณสติอันพระโยคาว จ, จ ร, รผู้ประสงค์จะเจริญมรณสตินั้นไปในที่ลับหลีกเร้นอยู่พึงให้มนาสิการเป็นไปโดยแยบคายว่ามรณะจักมีชีวิตตินซีจักขาดหรือว่าตายตายดังนี้เพราะว่าเมื่อพระโยคาว จ, จรยังมนาสิการให้เป็นไปโดยไม่แยบคาย เวลาระลึกถึงความตายของคนที่ชอบกันจะเกิดความโศกเศร้าดุจเวลามารดาผู้บังเกิดกล้าวระลึกถึงความตายของบุตรที่รักฉะนั้นเวลาที่ระลึกถึงความตายของคนที่ไม่ชอบกันจะเกิดความปราโมดดุจคนมีเวรกันระลึกถึงความตายของคนที่มีเวรกันฉะนั้นเวลาระลึกถึงความตายของคนที่เป็นกลาง จะไม่เกิดความสลดใจดุจสั ป, ปรเรอรเห็นซ่าคนตายฉะนนั้นเวลาระลึกถึงความตายของตนจะเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวดุจคนที่มีชาติขาดเพราะเห็นเพชฌฆาตผู้เงือดาบฉะนนั้นความเกิดขึ้นแห่งความโศกเป็นต้นแม้ทั้งหมดนั้นย่อมมีแก่ผู้ปราศจากสติความสังเวชและยาน เพราะเหตุนั้นประโยคาวจรเห็นสัตว์ที่ถูกฆ่าตายและตายเองในที่นั้นนั้นแล้วพึงพิจารณาถึงความตายของหมูสัตว์ที่ตายไปซึ่งมีสมบัติที่ตนเคยเห็นมาประกอบสติความสังเวชและญาณแล้วยังมณสิการให้เป็นไปโดยในยะมีอาทิว่ามรนังภวิสติความตายจากมีดังนี้ ด้วยว่าพระโยคาวจรเมื่อให้มนัสิการเป็นไปอย่างนั้นชื่อว่าให้เป็นไปโดยแยกคายอธิบายว่าให้เป็นไปโดยอุบายจริงอยู่สาหรับพระโยคาวจรบางพวกที่ยังมนาสิการให้เป็นไปอยู่อย่างนั้นนั่นแหละนิวรณากิเลสทั้งหลายย่อมระงับลงสติมีมรณะเป็นอารมณ์ย่อมตั้งมัน่น กรรมฐานขึ้นถึงอุปจาระฌานทีเดียวก็เป็นได้ส่วนพระโยคาวจรผู้ไม่มีกรรมฐานถึงอุปจาระฌานด้วยอาการเพียงเท่านี้พึงระลึกถึงความตายโดยอาการแปดอย่างเหล่านี้คือประการที่หนึ่งโดยปรากฏเหมือนเพชฌฆาตประการที่สองโดยวิบัติจากสมบัติ ประการที่สามโดยนำมาเปรียบเทียบประการที่สี่โดยเป็นกายสาธารณะแก่หมู่นอนจํานวนมากประการที่ห้าโดยอายุทุกพลภาพประการที่หกโดยไม่มีเครื่องหมายประการที่เจ็ดโดยมีกำหนดระยะการประการที่แปดโดยมีขณะเล็กน้อย อธิบายโดยปรากฏเหมือนเพชฌฆาตบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าวัตฐกะประจุ ป, ปทานตโตแปลว่าโดยปรากฏเหมือนเพชฌฆาตประโยคหาวจอนพึงระลึกว่าเปรียบเหมือนเพชฌฆาตคิดจะตัดศีษะผู้นี้ช่วยดาบจ่ออยู่ที่คอยืนประชิด ต, ตัวอยู่ชั้นใด แม้ความตายก็ปรากฏเช่นนั้นเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะมาพร้อมกับความเกิดและเพราะเป็นเครื่องบันทอนชีวิตอุปมาเหมือนดอกเห็ดหัวงูตุมต่มๆยอมดันเอาฝุ่นติดหัวขึ้นมาพร้อมฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นยอมพาเอาความแก่และความตายมาเกิดด้วยจริงอย่างนั้น ปฏิสนธิจิตของสัตว์เหล่านั้นก็ถึงความแก่ถัดแต่เกิดขึ้นมาทีเดียวแล้วก็แตกดับไปพร้อมกับด้วยขันอันเป็นตัวประกอบดังศิลาตกจากยอดเขาแตกกระจายไปฉะนั้นความตายที่มีประจําทุกขณะดังกล่าวมาชนี้อันดับแรกมาพร้อมกับความเกิดแต่เพราะสัตว์เกิดมาแล้วต้องตายเป็นเที่ยงแท้ แม้ความตายที่ประสงค์เอาในมรณะสตินี้ก็จัดว่ามาพร้อมกับความเกิดเพราะเหตุนั้นสัตว์นี้ตั้งแต่เวลาที่เกิดมาก็เดินบายหน้าต่อความตายมิได้หวนกลับมาเลยแม้สักน้อยเดียวเปรียบดังพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาแล้วก็โคจรบายหน้าต่อที่ตกไปท่าเดียวมิได้กลับมาหาที่ที่โคจรไปแล้วนั้นๆแม้สักน้อยหนึ่ง หรือมิฉะนั้นเปรียบเหมือนสายน้ำเล็กๆที่ไหลลงจากภูเขามีกระแสเชี่ยวมีปกติพัดเอาสิ่งพอที่จะพัดไปได้ย่อมไหลรุดไปท่าเดียวมิได้หวนกลับแม้สักน้อยหนึ่งฉะนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าสัตว์อยู่ในคันเพียงคืนเดียวซึ่งเป็นคืนแรกย่อมบ่ายหน้าไปสู่ความตาย เหมือนเมฆฝนตั้งขึ้นแล้วก็ยอมเคลื่อนไปเรื่อยไปไม่หวนกลับมาดังนี้ก็เมื่อสัตว์นั้นายหน้าไปอยู่อย่างนี้ความตายเท่านั้นยอมไกลเข้ามาเหมือนอย่างความเหือดแห้งไปแห่งแม่น้ำน้อยอันถูกแดดแผดเผาในฤดูร้อนและเหมือนอย่างความหล่นพลอยแห่งผลไม้ทั้งหลายที่มีขั้วอันรถแห่งอาโปาธาต ทราบซึมแล้วในเวลาเช้าดุดความแตกแห่งภาชนะดินทั้งหลายที่ถูกทุบด้วยไม้คอนและความเหือดแห้งไปแห่งหยาดน้ำค้างทั้งหลายที่ต้องแสงพระอาทิตย์แผดเผาฉชนั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าวันและคืนล่วงไปชีวิตพลอยดับไปด้วยอายุของสัตว์ค่อยสิ้นไป ด่างน้ำแห่งแม่น้ำน้อยค่อยแห้งไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาแล้วย่อมมีภัยแต่ความตายเป็นเที่ยงแท้แน่นอนดุดผลไม้ทั้งหลายที่สุกแล้วย่อมมีภัยแต่ความลนในเวลาเช้าฉะนั้นอันหนึ่งเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อทำขึ้นทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุกทั้งดิบทุกอย่างล้วนมีความแตกเป็นที่สุด ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นหยาดน้ําค้างที่ยอดหญ้าพอพระอาทิตย์ขึ้นไปก็ตกไปฉันใดอายุของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นคุณแม่อย่าห้ามผมเลยความตายมาพร้อมกับความเกิดประดุดเพชรจะฆ่าที่เงื้อดาบด้วยประการชนนี้อันหนึ่งความตายนี้นั้น ยอมค่าเอาชีวิตทายเดียวครั้นร่าเอาไปแล้วก็มิได้ปล่อยให้กลับคืนมาดังเพชฌฆาตกวัดแกงดาบอยู่ที่คอฉะนั้นเพราะเหตุนั้นแม้ความตายจึงชื่อว่าปรากฏดังเพชฌฆาตเงื้อดาบเพราะมาพร้อมกับความเกิดและเพราะร่าชีวิตไปดังนี้แลปพระโยคาวจรพึงระลึกถึงความตายโดยปรากฏดังเพชฌฆาต ด้วยประการฉนี้อธิบายโดยวิบัติจากสมบัติคำว่าโดยวิบัติจากสมบัติมีอธิบายว่าขึ้นชื่อว่าสมบัติในโลกนี้ย่อมงดงามอยู่ได้ชั่วเวลาที่วิบัติยังไม่ครอบงำแต่ขึ้นชื่อว่าสมบัติ จะถึงพ้นความวิบัติดำรงอยู่ได้หามีไม่จริงอย่างนั้นแม้พระเจ้าอาโศกมหาราชทรงปกครองแผ่นดินทั้งสิ้นทรงสละพระราชทรัพย์ตั้งร้อยโกรทรงเป็นผู้มีความสุขในบ้านปลายถึงความเป็นใหญ่แห่งวัตถุเพียงผลมะขามป้อมครึ่งผลด้วยทั้งเรือนร่างนั่นแหลแม้เมื่อเท้าเธอทรงสิ้นบุญแล้วพระองค์ก็ทรงบ่ายพระพัก ต่อมอรณะก็ต้องมาถึงซึ่งความโศกเศร้าอีกอย่างหนึ่งความไม่มีโรคแม้ทั้งหมดมีความเจ็บไข้เป็นที่สุดความเป็นหนุ่มทั้งหมดมีความแก่เป็นที่สุดชีวิตทั้งหมดมีความตายเป็นที่สุดโลกสัรนิวาทั้งหมดนั่นแลถูกชาติติดตามถูกชราไล่ตามถูกพยาธิครอบงำ ถูกมรณะดักสังหารเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภูเขาใหญ่อันล้วนแล้วด้วยหินสูงจรดฟ้ากลิ้งบทมาทั้งสี่ทิศโดยรอบแม้ฉันใดความแก่และความตายก็ฉันนั้นยอมครอบงมสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกแพทย์พวกสูตรพวกคนจันทานและพวกปุกุสะ ไม่เว้นใครๆยอมยำยีทั่วไปทั้งหมดเลยณที่นั้นพื้นที่สําหรับพลช้างก็ไม่มีสําหรับพลม้าก็ไม่มีสําหรับพลรถก็ไม่มีสําหรับพลเดินเท้าก็ไม่มีและใครๆไม่อาจชนะได้ด้วยมนหรือด้วยรับวิบัตคือความตายเป็นที่สุดแห่งสมบัตคือชีวิต ประโยคหาวจรเมื่อจะกำหนดถึงภาวะที่ชีวิตมีความตายเป็นที่สุดนั้นพึงระลึกถึงความตายโดยอาการวิบัติแห่งสมบัติด้วยประการชนนี้อธิบายโดยนำมาเปรียบเทียบคำว่าโดยนำมาเปรียบเทียบความว่าโดยนำเข้ามาเปรียบเทียบกับตน พร้อมทั้งคนอื่นๆในข้อนั้นมีอธิบายดังนี้ประโยคาวาจรพึงระลึกถึงความตายโดยเปรียบเทียบกับอาการเจ็ดอย่างคือโดยความเป็นผู้มียศใหญ่โดยความเป็นผู้มีบุญมากโดยความเป็นผู้มีกำลังมากโดยความเป็นผู้มีฤทธิ์มากโดยความเป็นผู้มีปัญญามากโดยความเป็นพระปจเจ ก, กพุทธเจ้า โดยความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอธิบายโดยความเป็นผู้มียศใหญ่ถามว่าพึงเปรียบเทียบอย่างไรแกว่าพึงเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าขึ้นชื่อว่าความตายนี้ตกต้องอยังไม่มีคุยเขินเบื้องบนแม้แห่งท่านผู้มียศใหญ่คือมีบริวารมากมีทรัพย์และพาหนะพรั่งพร้อม แม้กระทั่งเท้ามหาสมมติพระเจ้ามันธาตพระเจ้ามหาสุทสัศนะและพระเจ้าทันหเนมิก็เหตุไฉนเล่าความตายจรจักไม่ตกต้องหนะ้าเบื้องบนแห่งเราท่านผู้มียศใหญ่ทั้งหลายเป็นเท้าพญาผู้ประเสริฐเช่นเท้ามหาสมมติเป็นต้นแม้ท่านเหล่านั้นยังถึงซึ่งอำนาจแห่งความตายจะป่วยกล่าวไปใหญ่ ในคนทั้งหลายเช่นเราเล่าพึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นผู้มียศใหญ่ดังว่ามานี้เป็นอันดับแรกอธิบายโดยความเป็นผู้มีบุญมากพึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นผู้มีบุญมากอย่างไรพึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นผู้มีบุญมากอย่างนี้ว่า เศรษฐีเหล่านี้คือโชติกะเศรษฐีชะ ด, ดินเศรษฐีอุคคะเศรษฐีเมตถกะเศรษฐีปุณณกะเศรษฐีและเศรษฐีอื่นๆที่ลือกระชอนว่าเป็นผู้มีบุญมากในโลกท่านเหล่านั้นทั้งหมดยังถึงซึ่งความตายจะป่วยกล่าวไปใหญถึงคนทั้งหลายเช่นเราเล่าอธิบายโดยความเป็นผู้มีกําลังมาก พึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นผู้มีกําลังมากอย่างไรพึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นผู้มีกําลังมากอย่างนี้ว่าพระวาสุเทพพระพลเทพพระพีมาเสนพระยุทธิติระแม้นักมวยปล้ำใหญ่ชื่อว่าจานุระก็ไปแล้วสู่อํานาจแห่งความตายแต่ท่านเหล่านั้น ผู้ลือกระชอนโลกว่าเป็นผู้มีกำลังมากถึงอย่างนี้ทุกท่านก็ถึงซึ่งความตายจะป่วยกล่าวไปใหญ่ในคนทั้งหลายเช่นเราเล่าอธิบายโดยความเป็นผู้มีฤทธิ์มากพึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างไรพึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้ว่า พระอัครสาวกที่สองคือพระมหาโมคลานะเป็นผู้ประเสริฐกว่าบรรดาท่านผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายได้อย่างเวยชยัน์ประศาสาร์ให้หวันไว้ด้วยอวัยวะเพียงนิ้วหัวแม่เท้าแม้ท่านก็ยังเข้าปากของความตายอันน่าสะพึงกลัวไปพร้อมด้วยฤทธิ์ทั้งหลายเหมือนมรึกเข้าสู่ปากแห่งราชสีจะป่วยกล่าวไปใหญ่ในคนทั้งหลายเช่นเราเล่า อธิบายโดยความเป็นผู้มีปัญญามากพึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นผู้มีปัญญามากอย่างไรพึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นผู้มีปัญญามากอย่างนี้ว่ายกเว้นพระโลกกน้าเจ้าสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีอยู่สัต์นั้นว่าโดยปัญญาย่อมไม่ถึงเซี้ยวที่สิบหกแห่งพระสารีบุตรพระอ克拉สาวกที่หนึ่ง ได้มีปัญญามากถึงอย่างนี้ยังถึงซึ่งอำนาจแห่งความตายจะป่วยกล่าวไปใหญในคนทั้งหลายเช่นเราเล่าอธิบายโดยความเป็นพระปัจเจกพุท ธ, ธเจ้าพึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นพระปัจเจกพุท ธ, ธเจ้าอย่างไรพึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นพระปัจเจกพุท ธ, ธเจ้าอย่างนี้ว่า แม้พุทธบุคคลเหล่านั้นทำการย่ำยีศัตรูคือกิเลสทั้งปวงด้วยพลังคือปัญญาและวิริยะของตนของตนได้บรรลุ ป, ปัจเจ ก, กสัมโพธิยานเป็นผู้ตรัสรู้เองมีอาการดังนอรรดแม้ท่านเหล่านั้นยังไม่พ้นจากความตายก็ฉะไหนเราจากพ้นเล่าท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อาศัยนิมิต น, น, นั้นั้น พิจารณาอยู่เป็นพระสยามภูด้วยเดชแห่งญาณบรรลุพระนิพพานเป็นที่สิ้นอาสวะมีอุปมาเสมือนอนอแรดเพราะท่านอยู่ในความประพฤติโดดเดียวแม้ท่านเหล่านั้นก็หาล่วงพ้นความตายไปได้ไม่จะป่วยกล่าวไปใยในคนทั้งหลายเช่นเราเล่าพึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าด้วยอาการอย่างนี้ อธิบายโดยความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรพึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคแม้นั้นใดมีพาะรูปกายอันวิจิตไปด้วยมหาภูริสลักษณะสามสิบสองประการซึ่งประดับด้วยอนุพยัญชนะแปสิบประการ มีพระธรรมกายอันสำเร็จด้วยพระคุณรัตนะมีสิงละขันเป็นต้นอันบริสุทธ์ด้วยอาการทั้งปวงทรงถึงฟังแห่งความเป็นผู้มียศใหญ่ความเป็นผู้มีบุญมากความเป็นผู้มีกำลังมากความเป็นผู้มีฤทธิ์มากและความเป็นผู้มีปัญญามากหาผู้เสมอมิได้ไม่มีผู้เท่าเทียมไม่มีผู้เปรียบปานไม่มีบุคคลจะเทียมทัน เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบแม้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ยังทรงระงับดับขันโดยพลันเพราะการตกลงแห่งหยาดฝนคือมอรณะเปรียบดังกองแห่งเพลิงใหญ่ดับไปเพราะฝนตกรถฉนั้นอันความตายนั่นใดมาสู่อำนาจของพระผู้มีพระภาคผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีอนุภาพมากอย่างนี้ โดยไม่ต้องกลัวโดยไม่ต้องละอายฉนไหนเล่าเจ้าความตายนี้นั้นอันไร้ความอายปราศจากความกลัวมุ่งแต่จะย่ำยีสัตว์ทุกท่วนหน้าจะไม่มาครอบงาสัตว์เช่นเราเล่าเมื่อพระโยคาวจร น, นั้นน้อมตนเข้าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นซึ่งเพียบพร้อมด้วยความเป็นใหญ่มีความเป็นผู้มียศใหญ่เป็นต้นโดยภาวะ คือความเป็นผู้มีความตายเสมอกันอย่างนี้แล้วระลึกไปว่าความตายจะมีแม้แก่เราดุดมีแก่สัตว์วิเศษเหล่านั้นดังนี้กรรมฐานย่อมถึงอุปจาระแลพระโยคาวจรระลึกถึงความตายโดยนำมาเปรียบเทียบด้วยประการชนิอธิบายโดยเป็นกายสาธารณะ แกมูนอนจํานวนมากคําว่าโดยเป็นกายสาธารณะแกหมูนอนจํานวนมากมีอธิบายว่ากายนี้สาธารณะทั่วไปแกสัตว์ทุกจําพวกคืออันดับแรกก็เป็นกายทั่วไปแกหมูนอนแปดสิบครอกในหมูนอนเหล่านั้นพวกสัตว์ที่อาศัยผิวหนังก็กัดกินผิวหนังจําพวกที่อาศัยหนัง กัดกินหนังจำพวกที่อาศัยเนื้อก็กัดกินเนื้อจำพวกที่อาศัยเอ็นกัดกินเอ็นจำพวกที่อาศัยกระดูกก็กัดกินกระดูกจำพวกที่อาศัยเยื่อในกระดูกก็กัดกินเยื่อในกระดูกมันเกิดแก่ตายถ่ายอุจจระปัสวะอยู่ในกายนั่นเองแล้วร่างกายก็นับว่าเป็นเรือนคลอดเป็นโรงพยาบาลเป็นสุสานเป็นส้วม เป็นรางปัสสวะของพวกมันอันว่าร่างกายนี้นั้นเพราะความกำเริบแห่งหมูนอนแม้เหล่านั้นก็ถึงซึ่งความตายได้ประการหนึ่งเป็นแท้หมายเหตุผู้อ่านคำว่านอนหมายถึงได้ทั้งพยาธิและเชื้อโรคในร่างกายซึ่งปกติก็จะมีเชื้อตัวดีตัวไม่ดีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะครับอันหนึ่ง กายนี้ย่อมทั่วไปแก่ปัจจัยแห่งความตายเฉพาะที่เป็นภายในได้แก่โรคหลายชนิดและที่เป็นภายนอกได้แก่งูและมแมลงป่องเป็นต้นเหมือนอย่างที่สาธารณทั่วไปแก่หมู่นอนแปสิบครอกฉะนั้นอันหนึ่งเปรียบดังอาวุธต่างๆเช่นลูกศรหอกแทงหอกซั์และก้อนหินเป็นต้นอันมาแต่ทิศ ท, ทั้งปวง ตกประดังลงที่เป้าที่เขาตั้งไว้ในหุนทางใหญ่สี่แพร่งฉันใดอันตรายทุกอย่างย่อมตกประดังลงแม้ในกายก็ฉันนั้นกายนี้นั้นย่อมถึงความตายเป็นเที่ยงแท้เพราะอันตรายเหล่านั้นตกประดังลงเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวิไนนี้ เมื่อกลางวันผ่านไปแล้วกลางคืนย่างเข้ามายอมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเหตุแห่งความตายของเรามีมากแลคืองูจะพึงกัดเรามแมลงป่องจะพึงต่อยเราหรือตะขาบจะพึงกัดเราเราจะพึงตายเพราะเหตุนั้นนั่นจะพึงเป็นอันตรายแก่เรามิฉะนั้นเราพึงจะพลาดล้มลง หรือพัดที่เราบริโภคแล้วพึงเสียไปน้ำดีของเราพึงกำเริบก็ได้เศมห์ของเราพึงกำเริบก็ได้ ม, ไดไมิใช่แต่เท่านั้นลมมีพิษดังสัตระจะพึงกำเริบแก่เราก็ได้เราจะต้องตายเพราะเหตุนั้นนั่นจะพึงเป็นอันตรายแก่เราพระโยคาวจรพึงระลึกถึงความตาย โดยเป็นกายสาธารณะแก่หมูนอนจำนวนมากด้วยประการชนนี้อธิบายโดยอายุทุพพลภาพคำว่าอายุทุพพลภาพอธิบายว่าธรรมดาว่าอายุนั้นไม่แข็งแรงอ่อนแอจริงอย่างนั้นชีวิตของเหล่าสัตว์เนื่องด้วยลมหายใจออก และลมหายใจเข้าเนื่องด้วยอิริยาบถเนื่องด้วยความเย็นและความร้อนเนื่องด้วยมหาพูดและเนื่องด้วยอาหารชีวิตนี้นั้นเมื่อได้ภาวะความเป็นไปสมามเสมอแห่งลมหายใจออกและลมหายใจเข้านั่นแหละจึงเป็นไปได้แต่เมื่อลมทางจมูกที่ออกไปข้างนอกไม่กลับเข้าไปข้างในก็ดีที่เข้าไปแล้วไม่ออกมาก็ดี บุคคลย่อมได้ชื่อว่าตายชีวิตเมื่อได้ภาวะความเป็นไปสม่ำเสมอแม้แห่งอิริยาบถ ท, ทั้งสี่นั่นแหละจึงเป็นไปได้แต่เพราะความที่อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งเกินประมาณอายุสังขารย่อมขาดชีวิตที่ได้ภาวะความเป็นไปสม่ำเสมอแม้แห่งความเย็นและความร้อนนั่นแหละ จึงเป็นไปได้แต่เมื่อบุคคลถูกความเย็นจัดก็ดีถูกความร้อนจัดก็ดีครอบงำย่อมวิบัติชีวิตเมื่อได้ภาวะความเป็นไปสม่ำเสมอแม้แห่งมหาพูตธ ร, รูปนั่นแหละจึงเป็นไปได้แต่เพราะปัทวีธาตุหรืออาโปธาตุเป็นต้นธาตุดทธาตุหนึ่งกำเริบบุคคลแม้สมบูรณ์ด้วยกำลัง ก็ยังเป็นคนมีกายแข็งกระด้างได้หรือมีกายเน่าเปื่อยด้วยอำนาจโรคลงแดงเป็นตน้นหรือมีความร้อนมากเป็นเบื้องหน้าได้หรือมีไข้ข้อและเส้นเอ็นขาดไปได้ย่อมถึงความสิ้นชีวิตบุคคลเมื่อได้แม้อาหารหรือคำข้าวในเวลาที่ควร น, นั่นแหละชีวิตจึงเป็นไปได้ แต่เมื่อไม่ได้อาหารย่อมถึงความสิ้นสย์ประโยคาวจรพึงตามระลึกถึงความตายโดยอายุเป็นของทุกพลภาพด้วยประการชนนี้อธิบายโดยไม่มีเครื่องหมายคำว่าโดยไม่มีเครื่องหมายอธิบายว่า โดยความไม่มีขอบเขตกำหนดจริงอยู่สภาวะธรรมห้าประการนี้คือชีวิตหนึ่งพยาธิหนึ่งการเวลาหนึ่งสถานที่ทอดทิ้งกายหนึ่งคติหนึ่งของเราสัตว์ในชีวโลกไม่มีเครื่องหมายใครๆรู้ไม่ได้ในสภาวะธรรมหาประการนั้นธรรมดาว่าชีวิตชื่อว่าไม่มีเครื่องหมาย เพราะไม่มีกำหนดว่าจะพึงเป็นอยู่ประมาณเท่านี้ปีไม่เกินจากนี้ไปได้จริงอยู่สัตว์ทั้งหลายย่อมตายเชื่อแต่ในเวลาแรกเกิดมีการละละน้ำขุนก็มีในเวลาเป็นอพุทะน้ำที่ใสเป็นชิ้นเนื้อเป็นแท่งอยู่ในคันได้หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนสิบเดือนก็มีในสมัยที่คลอดจากท้องก็มี เลยนั้นไปย่อมตายภายในร้อยปีบ้างเกินร้อยปีไปบ้างอย่างแน่แท้แม้พยาธิก็ชื่อว่าไม่มีเครื่องหมายเพราะความไม่มีกำหนดว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องตายด้วยความเจ็บป่วยชนิดนี้เท่านั้นจะไม่ตายด้วยความเจ็บป่วยชนิดอื่นด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายตายด้วยโรคตาก็มี ตายด้วยโรคหูเป็นต้นชนิดใดชนิดหนึ่งก็มีแม้การเวลาก็ชื่อว่าไม่มีเครื่องหมายเพราะไม่มีกำหนดอย่างนี้ว่าจะต้องตายในเวลานี้เท่านั้นไม่ตายในเวลาอื่นด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายตายในเวลาเช้าก็มีตายในเวลาเที่ยงเป็นต้นเวลาใดเวลาหนึ่งก็มี แม้สถานที่ทอดทิ้งกายก็ชื่อว่าไม่มีเครื่องหมายเพราะไม่มีกำหนดอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะตายจะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในที่นี้เท่านั้นไม่ทอดทิ้งไปในที่อื่นด้วยว่าอัตภาพของบุคคลซึ่งเกิดภายในบ้านตกอยู่นอกบ้านก็มีของผู้ที่เกิดนอกบ้านตกอยู่ภายในบ้านก็มีโดยประการนั้น บัณดิตพึงให้พิสดารโดยประการเป็นอันมากอัตภาพของสัตว์เหล่านั้นที่เกิดบนบกตกไปในน้ำหรืออัตภาพของสัตว์ที่เกิดในน้ำตกไปบนบกดังนี้เป็นต้นแม้คติก็ชื่อว่าไม่มีเครื่องหมายเพราะไม่มีกำหนดอย่างนี้ว่าอันสัตว์ที่จุติจากคตินี้แล้วจะต้องไปบังเกิดในคตินี้ ด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายจุติจากเทวโลกแล้วไปบังเกิดในพวกมนุษยก็มีจุติจากมนุษยสยโลกแล้วไปบังเกิดในเทวโลกเป็นต้นโลกใดโลกหนึ่งก็มีชาวโลกย่อมหมุนเวียนไปในคติทั้งห้าเหมือนโคที่เราเทียมไว้ในยนฉนั้นด้วยประการชนนี้แหละประโยคาวะจรพึงตามระลึกถึงความตายโดยไม่มีนิมิตเครื่องหมาย ดังที่ว่ามานี้แหละอธิบายโดยมีกาหนดระยะการคำว่าโดยมีกำหนดระยะการอธิบายว่าระยะการแห่งชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายในบัดนี้น้อยนักผู้ใดเป็นอยู่ได้นานผู้นั้นก็เป็นอยู่ได้เพียงหนึ่งร้อยปีหรือเลยร้อยปีไปบ้าง แต่เป็นส่วนน้อยเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักพวกเขาจำต้องไปอย่างสัมปรายภพพวกเขาควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายย่อมไม่มีผู้ใดเป็นอยู่ได้นานผู้นั้นก็เป็นอยู่ได้เพียงร้อยปี หรือเกินร้อยปีก็มีบ้างแต่เป็นส่วนน้อยอายุของมนุษย์นี้น้อยหนักสัตว์บุรุษพึงดูหมิ่นอายุนั้นเสียพึงรีประพฤติความดีดังคนมีศีระถูกไฟไหมเพราะความตายจะไม่มาถึงย่อมไม่มีทรงตรัสไว้อีกว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วได้มีศาสดา ชื่อว่าอารกะดังนี้เป็นต้นบัณฑิตพึงยังพระสูตรทั้งหมดอันประกอบด้วยอุปมาเจดข้อให้พิสดารตรัสไว้อีกสูตรหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าน่าปลื้มใจหนอที่เราพึงอยู่ได้ชั่วคืนหนึ่งแล้วันหนึ่งเราพึงกระทาไว้ในใจซึ่งคาสั่งสอนของพระผู้มีพระภาค เราพึงทำกิจของบรรพชิตอันเป็นประโยชน์ตนมากหนอะดังนั้นก็ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญมรณาสติอย่างนี้ว่าน่าปลื้มใจหนอะที่เราพึงเป็นอยู่ชั่วระยะเวลากลางวันเราพึงทำไว้ในใจถึงคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจแห่งบรรพชิตอันเป็นประโยชน์ตนมากหนอะดังนี้ก็ดี ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ที่เจริญมรณาสติอย่างนี้ว่าน่าปลื้มใจหนอที่เราพึงเป็นอยู่ช่วระยะเวลาที่เราบิณฑบาตครั้งหนึ่งเราพึงทำไว้ในใจซึ่งคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจของบรรพชิตอันเป็นประโยชน์ตนมากเนอดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าน่าปลื้มใจหนอ ที่เราพึงเป็นอยู่ช่วงระยะที่เราเคี้ยวคำข้าวสี่ถึงห้าคํและกลืนกินเราพึงทำไว้ในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทากิจของบรรพชิตอันเป็นประโยชน์ตนมากหนอดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นเราเรียกว่าเป็นผู้ยังประมาทอยู่จเจริญมรณสติยังชักช้าเพื่อธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ ดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าน่าปลื้มใจหนอที่เราพึงเป็นอยู่ได้ช่วระยะเวลาเคี้ยวอาหารกลืนลงไปได้คาเดียวเราพึงทำไว้ในใจถึงคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเถิดเราพึงทำกิจของบรรพชิตอันเป็นประโยชน์ตนมากหนอดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ที่เจริญมรณาสติอย่างนี้ว่าน่าปลื้มใจหนอที่เราพึงเป็นอยู่ชั่วระยะเวลาหายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงทำไว้ในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจของบัพชิตอันเป็นประโยชน์ของตนมากหนอดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้เราเรียกว่า เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่พวกเธอย่อมเจริญมรณสติเข้มแข็งเพื่อธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะดังนี้ระยะการแห่งชีวิตน้อยนักไม่น่าไว้วางใจเพียงชั่วเคี้ยวคำข้าวสี่ถึงห้าคำอย่างนี้แหลประโยคขาวจรพึงตามระลึกถึงความตายโดยมีกำหนดระยะการด้วยประการชนนี้ อธิบายโดยมีขณะเล็กน้อยในคําว่าโดยมีขณะเล็กน้อยมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้จริงอยู่เมื่อว่าด้วยปรมัตา์ขณะแห่งชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักชั่วความเป็นไปแห่งจิตขณะเดียวเท่านั้นเปรียบเหมือนล้อรถแม้เมื่อหมุนไปก็หมุนด้วยส่วนแห่งกงส่วนหนึ่งเท่านั้น แม้เมื่อหยุดก็หยุดด้วยส่วนแห่งกกงส่วนหนึ่งเท่านั้นฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปชั่วขณะแห่งจิตขณะเดียวฉันนั้นเหมือนกันในเมื่อจิตนั้นดับแล้วสัตว์ก็ถูกเรียกว่าดับแล้วดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าในขณะแห่งจิตเป็นอดีตสัตว์เป็นแล้วไม่ใช่กาลังเป็นอยู่ไม่ใช่จักเป็น ในขณะแห่งจิตเป็นอนาคตไม่ใช่เป็นแล้วไม่ใช่กำลังเป็นแต่จักเป็นในขณะจิตเป็นปัจจุบันสัตว์ไม่ใช่เป็นแล้วแต่กำลังเป็นไม่ใช่จักเป็นชีวิตอัตภาพและสุขทุกข์ทั้งมวลล้วนประกอบกับจิตดวงเดียวขณะย่อมเป็นไปโดยรวดเร็วขันของสัตว์ทั้งที่ตายทั้งที่ยังดารงอยู่ในภพนี้ รันดับแล้วก็เหมือนกันหมดไปโดยไม่มีความสืบต่อสัตว์ไม่เกิดเพราะจิตที่เป็นอนาคตเป็นอยู่เพราะจิตเป็นปัจจุบันสัตว์โลกชื่อว่าตายเพราะความดับแห่งจิตแต่เมื่อว่าด้วยปรมัตเป็นบัญญัตพึงระลึกถึงมรณะโดยมีขณะเล็กน้อยด้วยประการชนนี้ แม้เมื่อประโยคาวจรนระลึกถึงความตายอยู่โดยอาการแปดอย่างดังกล่าวมานี้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งจิตย่อมได้อาเสวนะความสองเสพด้วยอำนาจทำในใจบ่อยๆสติมีมรณะเป็นอารมณ์ย่อมตั้งมั่นนีวรทั้งหลายย่อมสงบองค์ชานย่อมปรากฏแต่เพราะชานมีสภาวะรรมเป็นอารมณ์และเพราะอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความสลด ฌานจึงไม่ถึงขั้นอัปปนาถึงเพียงขั้นอุปจาระเท่านั้นแต่โลกุตระฌานาและอรูปฌานที่สองที่สี่ย่อมถึงอัปปนาด้วยภาวนาพิเศษแม้ในเพราะสภาวะธรรมด้วยว่าโลกุตระฌานาย่อมถึงอัปปนาด้วยอำนาจแห่งลำดับของการทำความบริสุทธิ์ให้เกิดอรูปฌานย่อมถึงอัปปนา ด้วยอำนาจแห่งภาวนาอันเป็นเครื่องก้าวล่วงอารมณ์เพราะว่าในอรูปฌานนั้นย่อมมีกิจพอที่จะก้าวล่วงด้วยดีซึ่งอารมณ์แห่งฌานที่ถึงอัปปนาแล้วนั่นแหลแต่ในมรณานุสติกรรมฐานนี้ไม่มีทั้งสองคือทั้งโลกุตระฌานและอรูปฌานฉะนั้นจึงเป็นเพียงอุปจาระฌานเท่านั้น ชานี้นั้นถึงซึ่งอันนับว่ามรณะสติเพราะเกิดขึ้นด้วยกำลังแห่งมรณะสติก็แลภิกษุผู้ประกอบมรณะสตินี้อยู่เนืองยยอมเป็นผู้ไม่ประมาทยอมได้สัญญาในอันไม่ยินดีในพบทั้งปวงยอมละความใคร่ในชีวิตเป็นผู้ติเตียนบาปเป็นผู้ไม่มากไปด้วยความสั่งสมในบริขารทั้งหลาย เป็นผู้ปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินแม้อานิจจสัญญาก็ถึงความคุ้นแก่ภิกษุนั้นทุกขสัญญาและอนัตสัญญาก็ปรากฏตามกระแสแห่งอานิจจสัญญานั้นนั่นแหลเหล่าสัตว์ผู้ไม่เจริญมรณาสติเมื่อถึงคราวจะมรณะย่อมถึงความกลัวความสะดุง้งความหลงโดยสาหัส ดังถูกเนื้อร้ายยักษ์งูโจรและเพชฌฆาตครอบงำฉะนั้นพระโยคาวจรผู้เจริญมรณสติย่อมไม่เป็นเช่นนั้นเป็นผู้หาความกลัวไม่ได้เป็นผู้ไม่มีความหลงทํากาละผู้เจริญมรณสติถ้าหาจะยังไม่ได้ดื่มรสอมะตะธรรมในปัจจุบั น, นชาติเบื้องหน้าแต่กายแตกทําลายไป ก็จะเป็นผู้มีสุขติเป็นที่ไปเบื้องหน้าเพราะเหตุ น, นั้นนั่นแหละพระโยคาวจรผู้มีปัญญาดีพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทในมรณาสติภาวนาซึ่งมีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ดังพันานามานี้ในการทุกเมื่อเทินกถามุกอย่างพิสดารในมรณาสติยุติเพียงเท่านี้